ไรปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่27พระสุตันตปิดกชาดกภาคหนึ่งพระสุตตันตปิดกขุตกานิกาย ชาดกภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเอกรณิบาตหนึ่งอปันนกกวักหมวดว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิดหนึ่งอปันนกชาดกว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารบพ่อค้าเวียนสองคน คนหนึ่งปฏิบัติผิดคนหนึ่งปฏิบัติถูกตรัสพระคทถาว่าคนฉลาดพวกหนึ่งกล่าวฐานะที่ไม่ผิดนักขาดคะเนทั้งหลายกล่าวฐานะที่สองที่ผิดผู้มีปัญญารู้จักฐานะที่ไม่ผิดและฐานะที่ผิดนั้นแล้วควรเถอฐานะที่ไม่ผิดไว้เถิดอปัณกาชาดกที่หนึ่งจบสองวั น, นุปถะชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ากลางทะเลทรายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารรพ่อค้าเดินทางกลางทะเลทรายขุดหาน้าได้ด้วยความเพียรเปรียบเทียบขมุนีผู้ทำความเพียรย่อมได้ความสงบใจตรัสพระคถาว่าชนทั้งหลายผู้ไม่เกียรติคร้านขุดภาพพื้นที่หนทางกลางทะเลทราย ได้พบน้ำที่กลางทะเลทรายอันราบเรียบชันใดมูนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังไม่เกียจคร้านพึงประสบความสงบใจชันนั้นวันนุปัาชาดกที่สองจบ 3. เสริวะวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าชื่อเสริวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารบภิกษุผู้ละความเพียร ตรัพระคถ า, าว่าถ้าเธอพลาดจากสภาวะอันแน่นอนแห่งพระสัทธธรรมในศาสนานี้แล้วเธอจะต้องเดือดร้อนตลอดกาลนานเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเซริวะนี้เซริวาวานิชะชาดกที่สามจบสจูละเศษฐิชาดกว่าด้วยจูละเศถษี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารบการตั้งตัวได้ด้วยซั์เพียงเล็กน้อยตรัสพระคถาว่าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ย่อมตั้งตัวได้ด้วยสิ่งของอันมีมูลค่าน้อยเหมือนคนก่อไฟกองเล็กๆทำให้เป็นกองใหญ่ได้จูละเศรษฐีชาดกที่สจบ 5. ตันทุละนาลิชาดกว่าด้วย มูลค่าเข้าสารธนานหนึ่งอามาทูลถามพระราชาว่าค่าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์ตรัสว่าเข้าสารหนึ่งนานมีราคาเท่ามูลค่ามาห้าร้อยตัวหรือและเข้าสารหนึ่งนานนี้มีค่าเท่ากับกรุงพาราณสีทั้งภายในภายนอกเชียวหรือตันทุลนาลิชาดกที่หจบหก เทวธรรมชาดกว่าด้วยธรรมของเทวดาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นอยู่ในสุขธรรมกุศลธรรมเป็นผู้สงบระงับเป็นคนดีงามท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลกเทวธรรมชาดกที่หกจบ 7. ก็ดกันถาริชาดก ว่าด้วยหญิงหาฟืนพระโพธิสัตว์กล่าวธรรมแก่พระราชบิดาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าหม่อมฉันเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอธิปดีของหมู่ชนขอพระองค์ทรงเลี้ยงหม่อมฉันแม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังทรงเลี้ยงได้ทําไมจะไม่ทรงเลี้ยงโอรสของพระองค์เล่าการทหาริชาดกที่เจ็จบแปด คามนิชาดกว่าด้วยคามนิกุมารคามนิกุมารเปล่งอุทานว่าเออก็ผลที่หวังจะสําเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้เรามีพรหมจรรย์แก่กล้าแล้วท่านจงเข้าใจดังนี้เถิดพ่อคามนิคามนิชาดกที่แปดจบเก้มค ะ, ะเทวชาดกว่าด้วยพระเจ้ามค ะ, ะเทวะ พระราชาทรงจับพระเกษาหงอกแล้วตรัสแก่อัมมาทั้งหลายว่าเมื่อวัยล่วงเลยไปผมบนศรีรษะของเราก็งอกเทวทูตก็ปรากฏชัดบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะบวชมค ะ, ะเทวชาดกที่เก้าจบสิบสุขวิหาริชาดกว่าด้วยการอยู่เป็นสุขฤาษีโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาว่า บุคคลเหล่าอื่นไม่ต้องรักษาคุ้มครองผู้ใดและผู้ใดก็ไม่ต้องรักษาคุ้มครองบุคคลเหล่าอื่นมหาประพิ์ผู้นั้นแหละไม่เยื่อใยในกามทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขสุขวิหาริชาดกที่10บจบอปันนกะวัคที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือหนึ่งอปันนกชาดก 2. วั น, นุปถาชาดก 3. เสริวะวานิชชาดก 4. จูลเสติชาดก 5. ตันทุลนาลิชาดก 6. เทวธรรมชาดก 7. กันถาริชาดก 8. คขามนิชาดก 9. ม้ามะะเทวชาดก 10. ส, สุขวิหาริชาดก ศิลวัหมวดว่าด้วยศีลหนึ่งลักษณะชาดกว่าด้วยเนื้อชื่อลักษณะพญาเนื้อโพธิสัตว์เห็นลูกทั้งสองกำลังมาจึงกล่าวกับหมูญาติว่าประโยชน์ย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้กระทำการต้อนรับเป็นปกติเธอจงดูลูกเนื้อชื่อลักษณะที่หมูญาติแวดล้อมกลับมา และจงดูลูกเนื้อชื่อกาละนี้ที่เสื่อมจากหมู่ญาติแลขณะชาดกที่หนึ่งจบ 2. นิโครทะมิขชาดกว่าด้วยพญาเนื้อชื่อนิโครสแม่เนื้อเห็นลูกกําลังจะไปยังที่อยู่ของเนื้อสาขะจึงกล่าวสอนว่าลูกหรือผู้อื่นควรครบหาเนื้อชื่อนิโครสเท่านั้น ไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อชื่อสาขาการตายในสำนักของเนื้อชื่อนิโครสยังประเสริฐกว่าการมีชีวิตในสำนักของเนื้อชื่อสาขาจะประเสริฐอะไรนิโครทะมิฆาชาดกที่สองจบ 3. การทิชาดกว่าด้วยเรื่องที่น่าตำหนิคนมีลูกสอนเป็นอาวุธเป็นต้นเทวดาโพธิสัตว์ ตำหนิเรื่องที่ควรตำหนิสามอย่างจึงกล่าวว่าหน้าตำหนิคนที่มีลูกศรเป็นอาวุธยิงไปเต็มกำลังหน้าตำหนิชนบทที่มีสตรีเป็นผู้นำอันหนึ่งแม้ชายผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงก็หน้าตำหนิกันที่ชาดกที่สามจบ 4. ่วาตามิคะชาดกวาด้วยเนื้อสมันพระราชาทรงดำริว่า สภาวะที่เลวกว่าความอยากในรถไม่มีจึงตรัสว่าได้ยินว่าสภาวะอย่างอื่นที่จะเลวยิ่งกว่ารถทั้งหลายไม่มีรถเป็นสภาวะที่เลวกว่าที่อยู่อาศัยกว่าความสนิทสนมคนเฝ้าสวนชื่อสัญชัยนำเนื้อสมัมผัที่อาศัยอยู่ในป่าทึบมาสู่อำนาจได้ก็เพราะรถว่าตามิคาชาดกที่สี่จบห้า คราธิยชาดกว่าด้วยลูกของแม่เนื้อที่ชื่อคราธิยาพญาเนื้อโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะสอนลูกของน้องสาวจึงกล่าวว่าแม่คราธิยาเราไม่สามารถจะสั่งสอนเนื้อที่มีกีบเท้าแดกีบมีเขาคด ต, ตั้งแต่โคนจดปลายที่ละเลยโอว่าตลอดเจ็ดวันตัวนั้นได้คราธิยชาดกที่ห้าจบ ติปันลัฐ ะ, ะมิขะชาดกว่าด้วยเนื้อลวงในพรานด้วยการนอนสามท่าพญาเนื้อโพธิสัตว์กล่าวแก่น้องสาวว่าน้องหญิงพี่ให้เนื้อหลานชายที่มีกีบเท้าแปดกีบเรียนท่านอนสามท่าเรียนเลขกลมายาหลายอย่างและการดื่มน้ำในเวลาเที่ยงคืนเนื้อนั้นเมื่อหายใจทางจมูกข้างที่แนบติดอยู่กับพื้นดิน ก็จะลวงนายพรานได้ด้วยอุบายหกประการติปันลัทธะมิฆาชาดกที่หกจบเจ็ดมาลุตตะชาดกว่าด้วยความหนาวเกิดแต่ลมเรือสีโพธิสัตว์ถูกเสือและราชสีถามจึงกล่าวว่าสมัยใดลมพัดมาสมัยนั้นจะเป็นข้างแรงก็ตามข้างขึ้นก็ตามย่อมมีความหนาวอันเกิดแต่ลม ในปัญหาข้อนี้เธอทั้งสองจึงไม่มีใครเป็นผู้แพ้มาลุตตะชาดกที่เจ็ดจกมาตะกะพัตตะชาดกว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายรุ ก, กเทวดาโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชนว่าถ้าเหล่าสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่าการเกิดและการสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกมาตะกะพัตตชาดกที่8ดจบเก้ 9. อาญาจิตตะพัตตชาดกว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำผลีกรรมรุ ก, กเทวดาอยู่ที่ฆ่าคบต้นไม้กล่าวกับปุดุมพีผู้ฆ่าสัตว์แก้บนว่าถ้าท่านต้องการจะเปลื้องตนให้หลุดพ้นจงเปลื้องตนให้หลุดพ้นโดยวิธีที่จะไม่ติดแน่นเถิด เมื่อท่านเปลืองตนอย่างนี้ชื่อว่ายังติดแน่นอยู่เพราะนะักปราศไม่เปลืองตนให้หลุดพ้นด้วยวิธีอย่างนี้การเปลืองตนให้หลุดพ้นอย่างนี้กลับเป็นการผูกมัดคนผ่านอายาจิตตะพัตชาดกที่เกจบ 10. นลปานาชาดกว่าด้วยอุบายดื่มน้ำด้วยไม้ออ พระศาสดาทรงทราบความที่พระโพธิสัตว์กับรากสดโต้ตอบกันจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าพญาวานอนไม่เห็นรอยเท้าที่ขึ้นมาเห็นแต่รอยเท้าที่ลงไปจึงกล่าวว่าพวกเราจากดื่มน้าด้วยหลอดไม้อ้อท่านจะฆ่าเราไม่ได้นละปานชาดกที่สิบจบศีลวักที่สองจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1>, 1. ลัคนะชาดก 2. นิโครธามมฆาชาดก 3. กันทิชาดก 4. ่วาตามฆาชาดก 5. คราทิยะชาดก 6. ติปันลัฐธเมฆาชาดก 7. มาลุตะชาดก 8. มัตกตกาาตะพัตชาดก 9. อาญาจิตตาพัตชาดก 10. นลปาณชาดก 3. กุรุงขวักหมวดว่าด้วยกวาง 1. กุรุงขามิคาชาดกว่าด้วยกวางกวางโพธิสัตว์แซงกล่าวกับต้นไม้กระทบในพรานว่า นี่ไม้มารื่นการที่ท่านปล่อยผลมะรื่นให้หล่นกลิ้งมานั้นกวางรู้แล้วเราจะไปยังไม้มารื่นต้นอื่นเราไม่ชอบใจผลของท่านกูรุงค้ามีฆาชาดกที่หนึ่งจบ 2. กุกูรุราชาดกว่าด้วยสุนัขที่ถูกฆ่าสุนัขโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาผู้ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่า พวกลูกสุนัขที่เขาเลี้ยงจนเจริญเติบโตแล้วในราชตระกูลเป็นสัตว์มีตระกูลสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังกลับไม่ถูกฆ่าพวกเราซิกลับถูกฆ่านี้ชื่อว่าการฆ่าที่แปลกชื่อว่าเป็นการฆ่าผู้ที่มีกำลังอ่อนแอ ก, กูรชาดกที่สองจบ 3. โพชาชานิยชาดก ว่าด้วยมาสินทบชาติอาชาในมาสินทบชาติอาชาในโพธิสัตว์กล่าวกับหมู่ญาติว่ามาสินทบชาติอาชาในที่ถูกยิงด้วยลูกศรแม้นอนตะแคงอยู่ก็ยังประเสริฐกว่าม้ากระจอกพ่อสารถีท่านจงตรเตรียมเราออกรบอีกเถิดโพชาชานิยชาดกที่สจบ 4. อาชัญญชาดก ว่าด้วยม้าอาชาในกับม้ากระจอกม้าอาชาในโพธิสัตถ์ถูกฟันหมอบอยู่กล่าวกับพลรถว่าไม่ว่าในการใดสถานที่ใดขณะใดสนามรบใดหรือเวลาใดม้าอาชาในก็เร่งความเร็วส่วนม้ากระจอกย่อมล้าหลังอาชัญญาชาดกที่สี่จบหติธชาดกว่าด้วย การรังเกียจท่าน้ำอำมหาโพธิสัตว์กล่าวกับคนเลี้ยงม้าว่านายสารถีท่านจงให้ม้าดื่มน้ำที่ท่าอื่นๆบ้างแม้ข้าวปลายาที่รับประทานบ่อยๆคนก็ยังเบื่อได้ติธชาดกที่ห้าจบ 6. มหิลามุขชาดกว่าด้วยพยาชามหิลามุขคะ อมาโพธิสัต์กราบทูนพระราชาว่าพญาช้างต้นชื่อมหีรามุขะได้เที่ยวทำร้ายคนเพราะสำเนียคำของพวกโจรมาก่อนพญามงคลหัตถีได้ตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งปวงเพราะสำเนียคำของนักบวชผู้สํารวมดีมหฮีามุขชาดกที่หจบ 7. อภินหะชาดกว่าด้วยการได้เห็นกันเนือง อมาดโพทิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าพญาช้างต้นไม่สามารถจะรับคำข้าวไม่สามารถจะรับก้อนข้าวไม่สามารถจะรับหญ้าและไม่สามารถจะขัดสีร่างกายได้ข้าพระพุทธเจ้าสาคัญว่าพญาช้างตัวประเสริฐมีความเยื่อใยในลูกสุนัขเพราะได้เห็นกันหนึ่งหนึ่งพระเจ้าค่าอาพิณหาชาดกที่เจ็ดจบปด นันทิวิสารละชาดกว่าด้วยโคนันทิวิสารพระศาสดาทรงติเตียนผู้ภิกษุชัวพัคีผู้พู ด, พดคำหยาบคายตรัสนันทิวิสารละชาดกนี้แล้วจึงตรัสพระกถานี้ว่าบุคคลควรพูดแต่คําที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรพูดคําที่ไม่น่าพอใจในเวลาไหนไหนเมื่อพราหมพูดคําที่น่าพอใจ โคนันทวิสารจึงลากสัมภาระอันหนักไปได้ทั้งยังทำให้พรามได้ทรย์อีกด้วยส่วนตนเองก็ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นนันที่วิสาระชาดกที่8จบ 9. กันหาชาดกว่าด้วยโคกันหะพระาศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาว่าพระตถาคตหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบัน จึงตรัสพระคถานี้ว่าในที่ใดใดมีธุระหนักในที่ใดขนทางเป็นร่องลึกครุขระในเวลานั้นแหละชนทั้งหลายจะเทียมโคกันหะโคกันหะนั้นแหละจะนําธุระอันนั้นไปได้กันหะชาดกที่เกจบสิ 10. มูนิกะชาดกว่าด้วยหมูชื่อมูนิกะโคโพธิสัตว์ พูดกับน้องซึ่งมีความน้อยใจว่าเขาเลี้ยงด้วยยญ้าและฟางเลี้ยงสุกรด้วยข้าวต้มและข้าวสวยจึงกล่าวคถานี้ว่าเธออย่าปรารถนาเป็นอย่างหมูหมูเนื้กะเลยหมูหมูเนื้กะกินอาหารอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนเธอจงเป็นผู้ขนขวายน้อยกินข้าวรีบเถิดการกินข้าวรีบนี้เป็นเหตุให้มีอายุยืนมูนิกะชาดกที่สิบจบ กุรุงขวักที่3จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. กุรุงขะมิขะชาดก 2. กุกุระชาดก 3. โพชาชานิยชาดก 4. อาชัญญะชาดก 5. ติถะชาดก 6. มหิลามุขะชาดก 7. อภินะชาดก 8. นันทิวิสาละชาดก 9. กันหาหชาดก 10. มูนิกะชาดก 4. กูลาวะกะวักหมวดว่าด้วยลูกนกครุฑ 1. กูลาวะกะชาดกว่าด้วยลูกนกครุฑ เท้าศักกะโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตให้พวกอสูรตรัสสั่งให้มาตาลีเทพสารถีหันรถกลับเพราะกลัวลูกนกจะตายว่ามาตาลีเทพประบรุที่ต้นงิ้วมีลูกนกครุดอยู่เธอจงหันงอนรถกลับเราประสงค์จะสละชีวิตให้พวกอสูรลูกนกพวกนี้ย่าได้แหลกลานเลยกุลาวะกะชาดกที่หนึ่งจบสอง นัจจะชาดกว่าด้วยนกยูงรำแนพนพญาหง์ทองไม่ยอมยกลูกสาวให้นกยูงที่ขาธิริและอตปะจึงกล่าวคาถานี้ในทํากลางฝูงนกว่าเสียงของเธอช่างไพเราะจับใจแผ่นหลังก็สวยงามสร้ยอยคอก็ปรีกระดุดดังสีแก้วไพยทูลและกำหางก็ยาวตั้งวาเราจะไม่ให้ลูกสาวแก่เธอเพราะการรำแพนหางไร้รำ น่าจะชาดกที่สองจบสสัมโมทมาณชาดกว่าด้วยความร่าเริงบันเทิงใจในพรานนกจับนกกระจาบไม่ได้ถูกพัญญาต่อว่าจึงกล่าวว่านกกระจาบทั้งหลายร่าเริงบันเทิงใจช่วยกันบินพาเอาขายไปได้เมื่อใดพวกมันทะเลาะกันเมื่อนั้นพวกมันจะมาสู่เงื้อมือของเรา สัมโมทะมานชาดกที่สจบ 4. มัชชาชาดกว่าด้วยพญาปลาพญาปลาติดไข่กลัวพัญญาจะเข้าใจผิดและเบียดเบียนเอาจึงครื่มครวญอยู่จึงกล่าวว่าความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในไข่ไม่ได้เบียดเบียนให้เราได้รับทุกข์เหมือนเรื่องที่นางปลาเข้าใจเราว่าไปยินดีนางปลาตัวอื่นเลย มัจฉาชาดกที่สจบหวัตกชาดกว่าด้วยนกคุ้มโพธิสัตว์นกคุ้มโพธิสัตว์เมื่อจะห้ามไฟป่าระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในอดีตปรารบสัจจะที่มีอยู่ในตนเมื่อจะทําสัจจะกิริยาจึงกล่าวว่าปีของเรามีอยู่แต่ยังบินไม่ได้เท้าทั้งสองข้างของเรามีอยู่ก็ยังเดินไม่ได้ และมารดาบิดาของเราก็หนีภัยออกไปแล้วนี่ไฟป่าเจ้าจงถอยกลับไปเถิดวัตกะชาดกที่ห้าจบ 6. สกุณชาดกว่าด้วยนกโพธิสัตว์นกโพธิสัตว์เห็นกิ่งไม้เสียดสีกันเกิดไฟป่าจึงกล่าวแก่นกยุงว่านกทั้งหลายอาศัยต้นไม้ใดต้นไม้นั้นปล่อยไฟออกมา นี่นกทั้งหลายพวกเธอจงหนีไปยังที่ทั้งหลายเถิดภายได้เกิดมีแต่ต้นไม้อันเป็นที่พึ่งของพวกเราสกุณชาดกที่หจบ 7. ดติติระชาดกว่าด้วยนกกระทาพระศา ส, าสดาทรงติเตียนพวกภิกษุฉับ พ, พักคีผู้ไม่มีความเคารพยำเกรงต่อภิกษุผู้แก่กว่าจึงตรัสว่า นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลายนรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและมีสุกติพบในเบื้องหน้าติติราชาดกที่7จบ 8. พักกะชาดกว่าด้วยนกยางรุกขเทวดาโพธิสัตว์สถิตอยู่ที่ต้นกลุ่ม ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่นกยางถูกปูหนีบคอจมน้ำตายเมื่อจะให้สาธุการจึงกล่าวว่าผู้ใช้เล่เหลี่ยมหลอกลวงผู้อื่นจะพบความสุขอยู่ได้ไม่นานผู้ใช้เล่เหลี่ยมหลอกลวงผู้อื่นนั้นต้องประสบบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกยางที่ถูกปูหนีบตายพระกะชาดกที่แดจบ 9. กนันทชาดก ว่าด้วยนั น, น, นทธาตุครูรุมพีโพธิสัตว์เมื่อจะบอกขุมทรัพย์แกคกุมานผู้เป็นลูกของเพื่อนจึงกล่าวว่าถ้าชื่อนันทะเกิดจากนางทาสียืนพูดคำหยาบอยู่ที่ใดเรารู้ว่ามีกองรัตนและมาลัยทองอยู่ที่นั้นนันทชาดกที่เก้าจบ 10. คธทิรังคารชาดก ว่าด้วยหลุมทานเพลิงไม้ตะเคียนเศถีโพธิสัตว์เมื่อจะให้มารผู้ประสงค์จะทำลายชีวิตพระประเจกขพุทธเจ้าและทำลายโรงทานทราบว่าตัวท่านหรือมารมีกำลังมีอนุภาพมากกว่ากันจึงกล่าวคาถา น, นี้กับพระปเจกขพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าจะตกหลุมทานเพลิงมีเท้าชี้ขึ้นมีศีรษะปักลงก็ตามที ข้าพเจ้าจะไม่ทำความชั่วอันเป็นกรรมไม่ประเสริฐอีกขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาตนี้เถิดค้ิที่รังคารชาดกที่10บจบกูลาวกะวักที่สจบรวมชาดกที่มีในวรรนี้คือ 1. กูลาวกะชาดก 2. นัจชาดก 3. สัมสโมทะมานชาดก 4. มัชะชาดก 5. วัตกะชาดก 6. สกุลชาดก 7. ติติตระชาดก 8. ภกะชาดก 9. นันทชาดก 10. คทิรังคาระชาดก ทักษกามะวัคหมวดว่าด้วยผู้ใครประโยชน์หนึ่งโลสกะชาดกว่าด้วยคนโลเลต้องเศร้าโศพระโพธิสัตว์เล่าเรื่องนายมิตรตะวินทุกะที่ไม่ทำตามคำสอนของผู้หวังความเจริญจึงได้รับทุกข์แล้วได้กล่าวว่าผู้ใดที่คนเอินผู้มีจิตเกื้อกูลอ่อนโยนกล่าวสอนอยู่ไม่กระทำตามคำสอนของบุคคลผู้หวังความเจริญ ผู้อนุเคราะห์ด้วยเหตุอันเป็นประโยชน์ผู้นั้นย่อมเศร้าโศกเหมือนมิตรวินทุ ก, กะจับขาแพะแล้วเศร้าโศกอยู่โลสกะชาดกที่หนึ่งจบสองกระโปตกะชาดกว่าด้วยนกพิราบเตือนกานกพิราบโพธิสัตว์เห็นกาประสบความพินาศจึงกล่าวว่าผู้ใดอันบุคคลผู้หวังความเจริญอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล กล่าวสอนอยู่ก็ไม่ทำตามคำสั่งสอนผู้นั้นย่อมเศร้าโศกอยู่ร่ำไปเหมือนกาไม่ทำตามคำของนกพิราบตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูประโปตะกะชาดกที่สองจบสเวลุกกะชาดกว่าด้วยงูเวลุกกะดาบทโพทธิสัตย์สั่งให้ทาการเผาดาบ ท, ที่ถูกงูกัดตายแล้วจึงกล่าวสอนหมู่เรสีว่า ผู้ใดที่คนอื่นผู้มีจิตเกือ้อกูลอ่อนโยนกล่าวสอนอยู่ไม่กระทําตามคำสอนของบุคคลผู้หวังความเจริญผู้อนุเคราะห์ด้วยเหตุอันเป็นประโยชน์ผู้นั้นย่อมถูกกำจัดนอนตายอยู่เหมือนฤษีผู้เป็นบิดาของงูเวลุกะเวลุกะชาดกที่สจบ 4. มะกระสะชาดกว่าด้วยลูกชายโง่ฆ่ายุง พ่อค้าโพธิสัตว์เห็นการกระทำของช่างไม้ผู้โง่เขลาจึงกล่าวว่ามีศัตรูผู้มีความรู้ยังประเสริฐกว่าส่วนมิตรผู้ไร้ปัญญาไม่ประเสริฐเลยเพราะว่าลูกชายผู้โง่เขลาคิดว่าเราจะฆ่ายุงได้ทุกพัวของพ่อเสร็จแล้วมกรคสชาดกที่สี่จบ 5. โรหินีชาดกว่าด้วยนางโรหินี พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องที่สาวใช้ซึ่งมารดาใช้ให้ไล่มแมลงวันกลับใช้สากตีมารดาจนสิ้นชีวิตจึงกล่าวว่ามีศัตรูผู้มีปัญญายังดีกว่ามีคนอนุเคราะห์ที่งโง่เธอจงดูนางโรหินีชาติชั่วฆ่าแม่แล้วเศร้าโศกอยู่โรหินีชาดกที่ห้าจบ 6. อารามะทูสกะชาดกว่าด้วยลิงทำลายสวน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ฟังคําของลิงจึงกล่าวว่าผู้ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงจะบำเพ็ญประโยชน์ก็ไม่สามารถจะนําความสุขมาได้เลยคนมีปัญญาซามทําประโยชน์ให้เสียหายเหมือนลิงเฝ้าสวนอารามะทูสกะชาดกที่หจบ7จ็ 7. วารุณิทูสกะชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาซามทํำสุราให้เสีย พระโพธิสัตว์เล่าเรื่องคนโง่ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงกล่าวว่าผู้ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงจะบำเพ็ญประโยชน์ก็ไม่สามารถจะนำความสุขมาได้เลยคนมีปัญญาสามย่อมทำประโยชน์ให้เสียหายเหมือนนายโกนธัญะทำสุราให้เสียวารุณิทูสกะชาดกที่เจจบ 8. เวทัพระชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเวท พ, พะพระโพธิสัตว์คิดถึงเรื่องคนที่ปรารถนาความเจริญโดยวิธีที่ไม่สมควรได้ประสบความพินาศใหญ่หลวงจึงกล่าวว่าผู้ใดปรารถนาประโยชน์โดยอุบายอันไม่แยบยนต์ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนโจรชาวแคว้นเจตะฆ่าเวทภะพราหมณ์แล้วถึงความพินาศทั้งหมดเวทัพภะชาดกที่8ดจบ9้า นักขตตชาดกว่าด้วยการเถอเลิกเถรยามบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นชาวพระนครทะเลาะกันเรื่องเลิกจึงกล่าวว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาที่มัวรอคอยเลิกยามอยู่ประโยชน์นั่นแหละเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทําอะไรได้นักขตตชาดกที่9จบ10ทุมะเมทชาดก ว่าด้วยคนโง่พรมมัทตากุมารโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศเรื่องให้ควัาหัวใจคนโง่ทำการบวงสรวงเทวดาจึงกล่าวว่าการบูชายันเข้าพเจ้าได้บ่นไว้แล้วด้วยคนโง่พันคนบนัดนี้คนที่ไม่ประพฤติธรรมมีอยู่เป็นจำนวนมากเราจะบูชายันทุมะเมทชาดกที่สิบจบอัฏฐกามวัชที่ห้าจบ รวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. โลสกะชาดก 2. กะโปตกะชาดก 3. เวลุกะชาดก 4. มกะสะชาดก 5. โรหินีชาดก 6. อารามาทูสกะชาดก 7. วารุณิทูสกะชาดก 8. เวทพรชาดก 9. นคกตะชาดก 10. บ ทุมะเมธาชาดกปฐมปันนาจบหกอาสิงสวครคหมวดว่าด้วยความหวังหนึ่งมหาสีละวชาดกว่าด้วยพระเจ้ามหาสีลวะว พระเจ้าศีลวะมหาราชทรงดําทริถึงผลของความเพียรจึงกล่าวคาถานี้ว่าเป็นคนต้องหวังร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นมหาศีลวะชาดกที่หนึ่งจบสองจูลชนกะชาดกว่าด้วยพระจูลชนกะพระมหาชนก ทรงดำริถึงผลของความเพียรจึงกล่าวคาถานี้ว่าเป็นคนต้องพยายามร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างถูกเขาช่วยขึ้นจากนะ้ำมาบนบกได้จูละชนกะกชาดกที่สองจบสปุณณปาติชาดกว่าด้วยการลวงด้วยสุราเต็มหาย เศรษฐีโพธิสัตว์เมื่อจะทำลายความพอใจของพวกนักเลงจึงกล่าวคาถานี้ว่าไหเล่ายังคงเต็มอยู่เช่นเดิมการกล่าวยกย่องคงเป็นคำไม่จริงเพราะอาการอย่างนี้เราจึงรู้ว่าเล่านี้ไม่ดีจริงปุณณปาติชาดกที่สามจบ 4. ผลละชาดกว่าด้วยการรู้จักผ ล, ลไม้พ่อค้าเกวียนโพธิสัตว์ เล่าเรื่องที่ตนทราบว่าต้นไม้นั้นไม่ใช่ต้นมะม่วงด้วยเหตุสองประการจึงกล่าวว่าต้นไม้นี้คนขึ้นได้ไม่ยากทั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเพราะเหตุสองประการนี้เราจึงรู้ได้ว่าต้นไม้นี้มีผลไม่ดีผลละชาดกที่สี่จบ 5. ปัญจวุฒาชาดกว่าด้วยพระกุมารผู้มีอาวุธห้าอย่าง พระศาสดาทรงประมวลพระธรรมเทศนามาตรัสพระคถานี้ว่านรชนใดมีจิตไม่ย่อท้อมีใจไม่หดหูบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับปัญจาวุฒชาดกที่หจบ 6. กันจานักขันธชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์แบ่งแท่งทองพระผู้มีพระภาคทรงประมวลธรรมเทศนามาตรัสพระคถานี้ว่านรชนใดมีจิตร่าเริงมีใจเบิกบานบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับการจันักขันทชาดกที่หจบ7 วานรินทาชาดกว่าด้วยพยาวานนพนศัตรูเจระเคกล่าวถึงบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมสีประการจึงปราบศัตรูได้ว่าพยาวานนผู้ใดมีธรรมสีประการนี้คือหนึ่งสัจจะสองธรรมะสามทิฏฐิสี่ 4. จาคะะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบองำศัตรูที่ตนพบเห็นได้ วานะรินทาชาดกที่เจจบ 8. ตโยธรรมชาดกว่าด้วยทำสามประการของพยาวานนรากสดชมเชยพระโพธิสัตว์ว่าพยาวานนผู้ใดมีทำสามประการเหล่านี้คือหนึ่งความขยันสองความกล้ากล้าสปัญญาเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้ ตโยธรรมชาดกที่8จบ 9. เพริวาตกะชาดกว่าด้วยการตีกลองเกินประมาณทำให้เสียทรัพย์ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลคนตีกลองได้กล่าวถึงวิธีตีกลองว่าเมื่อจะตีกลองก็ตีเถิดแต่อย่าตีให้เกินไปเพราะการตีเกินไปเป็นความเสียหาย ซับตั้งร้อยที่เราได้มาเพราะการตีกลองได้สูญเสียไปเพราะเจ้าตีเกินไปเพริวาธะชาดกที่เกจบ10สังฆธรรมชาดกว่าด้วยการเป่าสังเกินประมาณทําให้เสียทซั์พระโพธิสัตว์เกิดในสกุลคนเป่าสังเมื่อจะห้ามบิดาผู้เป่าสังไม่หยุดจึงกล่าวว่าเมื่อจะเป่าสังก็เป่าเถิด แต่อย่าเป่าให้เกินไปเพราะการเป่ามากเกินไปเป็นความเสียหายพ่อเมื่อเป่าเกินไปจกทาสมบัติที่ได้มาเพราะการเป่าสังให้พี่นาฏไปสังขธะธรรมชาดกที่10บจบอาสิงสวรกที่6จกจบรวมชาดกที่มีในวร์นี้คือ 1. มหาศีลวะชาดก 2. จูลชน ก, กะชาดก 3. ปุณณปาติชาดก 4. ผลลชาดก 5. ปัญจาวุฒาชาดก 6. กัการจนับขันทชาดก 7. วานารินทชาดก 8. ตโยธรรมชาดก 9. เพริวาต ก, าชากาะชาดก 10. สังฆธรรมชาดก 7. อิถีวักหมวดว่าด้วยหญิงหนึ่งอาสาตะมันตะชาดกว่าด้วยอาสาตะามนมนพู้เป็นสิทธิของพระโพธิสัตว์เห็นโทษของหญิงจึงประกาศความประสงค์ของตนที่จะออกบทว่าขึ้นชื่อว่าหญิงในโลกนี้ไม่น่ายินดีเพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีขอบเขตมีแต่ความกำหนัดขนองเหมือนเปลวไฟไม่ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพเจ้าจักละทิ้งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นไปบวชเพิ่มภูลวิเวกอสาตะมันตะชาดกที่หนึ่งจบสองอันทภูตะชาดกว่าด้วยการไว้ใจพัญญาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดพระราชาโพธิสัตว์ตรัสกับพรามปุโรหิตถึงหญิงผู้ปรารถนาชายคนเดียวไม่มีว่าพรามไม่รู้อุบายที่พัญญาใช้ผ้าผูกหน้าแล้ว ใช่อดีตพินอยู่ปัญญาที่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในคันยังทำได้เช่นนี้ใครจะพึงไว้ใจในปัญญาเหล่านั้นได้อันทภูตะชาดกที่สองจบสตะกะปันทิตะชาดกว่าด้วยตักะบัณฑิตพระาศาสดาครั้นตรัสเล่าอาดีตนิทานแล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่าธรรมดาหญิงที่มีนิสัยมักโกรธอากตัอยู่ มกพูดส่อเสียดชอบทำลายมิตรภิกษุเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จักไม่เสื่อมจากสุขตักกะปันทิตะชาดกที่สามจบสทุราชาณชาดกว่าด้วยภาวะของหญิงรู้ได้ยากอาจารย์ทิสาปาโมกโพธิสัตว์หวังจะสอนพรามานพผู้เป็นสิทธิจึงกล่าวว่าอย่าดีใจเลยว่าหญิงนี้ต้องการเรา อย่าเสียใจไปเลยว่าหญิงนี้ไม่ต้องการเราภาวะของหญิงรู้ได้ยากเหมือนปลาแหวกว่ายอยู่ในน้ำทุราชาณชาดกที่สี่จบหอนนภิรติชาดกว่าด้วยบุรุษไม่ควรถือโกรธหญิงอาจารย์ทิสาปามโมกโพธิสัตว์หวังจะสอนสิทธิจึงกล่าวว่าแม่น้ำขนทางโรงสุราสภา และบ่อน้ำดื่มเป็นชั้นใดธรรมดาหญิงในโลกก็ชันนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ถือโกรกเธออนะพิรติชาดกที่ห้าจบ 6. มุทุลักคณะชาดกว่าด้วยพระโพธิสัตว์ปรารถนานางมุทุลักคนาดาบทโพทธิสัตว์เสื่อมจากฌานเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลแล้วจึงกล่าวว่า ครั้งก่อนเรายังไม่ได้พระนางมุทุลักขณาความปรารถนามีอยู่อย่างเดียวเมื่อได้พระนางมุทุลักขณาผู้มีพระเนตรโตงดงามความปรารถนาช่วยให้เกิดความต้องการขึ้นหลายอย่างมุทุลักขณะชาดกที่หจบ 7. จดอุชังคาชาดกว่าด้วยยิงหาบุตรหาสามีได้ง่ายเหมือนหาของที่ชายพก หญิงที่สามีบุตรและพี่ชายถูกราชบุรุษจับไปถวายพระราชาทูลขอพี่ชายกลับคืนถูกพระราชาตรัสถามกราบทูลถึงเหตุที่บุตรและสามีหาได้ง่ายส่วนพี่ชายหาได้ยากกว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพบุตรหม่อมฉันหาได้ง่ายเหมือนเมี่ยงที่ชายพกเมื่อหม่อมฉันเดินไปตามทางสามีก็ยังหาได้ง่าย แต่หม่อมฉันยังไม่เห็นสถานที่ที่จะนำพี่ชายผู้ร่วมอุทธรมาได้เลยอุชังคาชาดกที่เจ็ดจบ 8. สาเกตาชาดกว่าด้วยพระพุทธเจ้าครั้งสเสวยพระชาติเป็นบุตรพรามชาวเมืองสาเกตพระศาสดาทรงเล่าเรื่องที่พระองค์ทรงเติบโตในมือของพรามและพรามณีสามพันชาติตรัสพระคานน้ว่า บุคคลมีจิตเลื่อมใสและมีใจฝังแน่นอยู่ในบุคคลใดบุคคลพึงสนิทสนมคุ้นเคยในบุคคลนั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยพบเห็นกันเลยสาเกตะชาดกที่8จบ 9. วิศวันตะชาดกว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไปงูถูกหมองูบังคับตอบหมองูแล้วจึงกล่าวว่า พิษที่คายออกแล้วนั้นน่าขยะกขยงเหลือเกินเราตายเสียยังดีวกว่าการที่เราจะต้องดูดพิษที่คายออกแล้วกลับคืนมาเพราะเหตุมีชีวิตวิษวันตชาดกที่9จบ 10. กุทฏาลชาดกว่าด้วยกุฏาลบัณฑิตเรศีโพธิสัตว์ชื่อกุทฏาลบัณฑิตแสดงธรรมโปรดพระราชาว่า ความชนะใดที่บุคคลชนะแล้วกลับแพ้อีกความชนะนั้นไม่เป็นการชนะที่ดีเลยส่วนความชนะใดที่บุคคลชนะแล้วไม่กลับแพ้อีกความชนะนั้นเป็นการชนะที่ดีกุฏาราชาดกที่10บจบอิทีวัคที่เจ็ดจบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือหนึ่งอซ า, าตามันตชาดกสอง อันทภูตชาดก 3. ตกะปันทิตาชาดก 4. ทุราชาณะชาดก 5. อนภิรติชาดก 6. มุธูลคณาชาดก 7. อุชังคชาดก 8. สาเกตชาดก 9. วิสวัณตาชาดก 10. กุธาละชาดก